โลกมันวะุ่นวายนะไม่มีวันสงบหรอกคนในโลกมันก็อยู่กันได้กิเลสมันเบียดเบียนกระทบกระทั่งกันตลอดเวลาไปแก้ส่งนั้นเราแก้ไม่ได้เราตัวเล็นีดเดียวพีายามฝึกตัวเองให้สามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขในทุกๆสถานการณ์ เราได้เปรียบคนประเทศ อ, นะอื่นนะคนศาสนาอื่นเลยเราเมีธรรมะเป็นศาสที่สอนให้เราฝึกตัวเองจนเราสามารถอยู่ด้วยความสมดสุขในทุกๆสถานการณ์ในโลกวุ่นวายหนึ่งเรื่องของโลก มันกระทบกระทั่งได้แค่ร่างกายเรามันกระทบเข้ามาไม่ถึงจิตใจเราศาสต์ของพระพุทธเจ้านะมีศะเศษมากท่านถึงบอกนะว่าคนทั่วๆไปเวลามีปัญหามากระทบกระทบเพาะที่ร่างกายที่ชีวิตความเป็นอยู่แล้วมันก็จะกระทบ ครั้งที่สองตอนน่อเนื่องเข้ามากระทบเข้ามาที่ใจส่วนสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยปัญหาความทุกข์ยากอะไรนันกระทบได้แต่ร่างกายแต่มันกระทบเข้ามาไม่ถึงเกล็ดใจเรามีศาสรที่จฝึกจิตของเราให้ผลนจากความทุกข์ คนส่วนเหญเก็ฝันฝันว่านะว่าเนี่ยตอนนี้ลำบากก็ทนทนไปไม่นานมันก็ผ่านแล้วชีวิตจะได้มีความสุขแล้วพระจริงนันไม่เป็นอย่างนั้นครอกพอปัญหาหนึ่งจบไปปัญหาใหม่ก็ามายปัญหาบางทีปัญหาเก่ายังไม่จบนะปัญหาใหม่ก็ามาแนละ ซ, ซ้อนกันเข้ามาตลอดเวลาโลกมันเป็นอย่างนี้แหละอะไร เ, เพ้เพ้อฝันว่าโลกจะต้องมีสันติภาพมีความสงบสุขคนในโลกจะต้องดีต่อ ก, กันช่วยเหลือเกื้อกูลไม่หอบเกรียดกันเป็นความฝันเขาเรียกว่าโลกในอุดมคติซึ่งมันไม่เคยมีเพราะเพ้อเฝันฝันกันไป ส่วนนี้มันหอนบ่อยเรามาเรียนนะมาเรียนศาสตร์ของพระพุทธเจ้ากันเมื่อตอนรักษาศีลเอาไว้ถ้าเทห้ก็เป็นงานฝึกจิตฝึกใจของเราเองรักษาศีลก็คือ ดูแลคาพูดและการกระทําของเราไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นไม่ให้เบียดเบียนตัวเองเราไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองก็มีเวลามาฝึกจิตฝึกใจเองการฝึกจิตึกใจของเรานะั้นมันมีงานสําคัญอยู่สองงานคือการเจริญสมาธิทําสมถะกรรมฐาน การเจริญวิปัสสนากรรมฐานพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสมฐากรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรจเจริญนะด้วยปัญญาอย <c oughs> ่างยิ่งธรรมะมันถึงนี่ท่านก็พูด พ, พลิกแปลนไปนะตามจริตนิสัยตามวาสนาบารมีของคนฟังโดยทั่วๆไปนะท่านก็พูดถึงทุกสมุทัยนิโรธมักทุกก็คือรูปนามสมุทัยือตัญหานิโรธคือคณิพานความดับทุกมา ก, ก็เมี่องแปะบางทีท่านก็สอน ในตัวมัคเนี่ยสิ่งที่ควรเจริญท่านยามลงไปก็คือสมถะธรรมฐานและวิปัสสนาธรรมนเนี่ยสมถะธรรมฐานวิปัสสนาธรรา น, นี็คือองค์ธรรมนะที่ทาหน้าที่อยู่ในกลุ่มของมัคเป็นสิ่งที่เราต้องเจริญสมถะธรรมฐานนั้วเราฝึกไปเพื่อให้จิตเราตั้งมั่น ให้ฉีเรามีกําลังให้มีความพร้อมนะเพื่อให้มีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาเราไม่ได้ทําสมถกสมมฐานเพื่อความสุขความสงบความดีอะไรทั้งสิ้นเลยความสุขเป็นของไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงความดีก็ไม่เที่ยงนี่เป็นโลภียธรรมอยู่แต่เราทําความสงบความ ทำความตั้งมั่นของจิตให้เกิดขึ้นเพื่อการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐ า, านนั่นเองแล้วถ้าเราเจริญปัญญาได้มากพอนะมากผลก็จะเกิดขึ้นจิตใจเราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นโดยการเสนอกว่าบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ใปัญญาตัวนี้ต้องเป็นวิปัสสนาปัญญาปัญญามีหลายอย่างนะปัญญาอย่างโลกโลกก็มีปัญญาในการทำสมถ ะ, ะก็มีเราจะทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นให้จิตสงบก็ต้องมีปัญญาเหมือนกันทำง้อง้ยโดยๆใปไม่รู้เหตุรู้ผลเลยมันก็ไม่ได้ผลนะแต่ปัญญาที่เลิศ ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์จริง ๆ, ๆคือตัววิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาปัญญาจะมีได้นะถ้าจิตเรามีสมาธิที่ถูกต้องมากพอถ้าเรามีสมาธิที่ถูกต้องทําให้มากจเจริญให้มากปัญญาไม่กระเกิด ไม่เราต้องพยายามฝึกตัวเองสิ่งที่เราต้องฝึกถ้าเราไปดูในองค์มรรคอริยมรรคมีองค์แปดทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจเท่านั้นมันเป็นการฝึกในปัญญาเบื้องต้นมันเป็นตัวสมาธิธ ความเห็นถูกสมาสังกัปปะความคิดถูกไม่ความคิดความเห็นที่ถูกต้องี่เป็นบัญญจขั้นต้นเราต้องพัฒนานะไม่พัฒนาก็ไม่ได้นะการสร้างสมาธิในเบื้องต้นนะอาศัยการฟังอใสยการอ่านคําสอน ตามพรทไตรปิกเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าบางของศาสาบวกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เชื่อถือด้ั้าง ใ, ใส่คำสอนในนี้เราได้สมาธิผิในเบื้องต้นเรียนสมาธิผิในาภาพปริยัตเกิดจากการอ่านการฟังหรือการพิจารณาใส่สองนั่นเป็นปัญญาที่เกิดจากการคิดเอานิจารณา ตรงนี้ยังไม่ พ, นพ้นทุกหรอกนี่เราเรียนสมาธิพิจิบื้องต้นให้ได้ก่อนสมาธิพิจิตร่่งต้นที่เราต้องรู้จักก็คืออริยสัจ ส, สี่กิตของอริยสัจ ส, สี่นี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนอริยสัจ ส, สก็คือทุกนะสมุทัยนี่รอดมั่งสิ่งที่เรียกว่าทุกนั้นะ สรุปเลยก็คือรูปนามนี้แนะคือตัวทุกข์อาการปรากฏของทุกข์เพราะเช่นความแก่ความเจ็บความตายเป็นอาการปรากฏของมันคนทันน่วไปเขามองเห็นได้แค่นี้เวลาแก่ขึ้นมานะร่างกายไม่แข็งแรงไม่กระชับไม่ช่วป่วยบ่อยเนละไม่มีความสุขกินข้าวก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่หลับขับถ่ายก็ไม่สะดวกอนะไรแก่ เดินโซซาโซเซ่เนีอันนี้เป็นธรรมะที่ท่านชี้ให้ดูะสําหรับคนซึ่ยินเสียไม่แก่กล้ามาดูความทุกข์ง่ายๆอย่างเงี้ยแกแ่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์รักจากสิ่งที่รักจากคนที่รักก็เป็นทุกขนะ์ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักเจอแล้คนที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ ห ล, ลัสนะมีความต้องการอะไรแล้วไม่ได้อย่างที่อยากก็เป็นทุกข์นะเบื้องต้นท่านสอนทุกที่ชาวบ้านสังรู้เรื่องเสร็แล้วท่านมาขมวดสิ่งที่เรียกว่าทุกข์จริงๆสังขตเตะนะปัญจุปทานานักขทาทุกขาโดยสรุปขันธ์ทั้งท่าเป็นตัวทุกข์ เขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นะมันก็ไม่มีคนแก่คนเจ็บคนตายคนพัดพราบจากสิ่งที่รักคนประสบจากสิ่งที่ไม่รักไม่มีแต่ขันขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์รูปนี้เป็นตัวทุกขนะ์เพราะมันถูกบีบคั้นให้แตกสลายอยู่ตลอดเวลาพอมันถูกบีบขั้นแล้วก็กลายเป็นความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมะาตัวรูป จิตใจนะนีก็ตัวนามก็เป็นตัวทุกมีความอยากเกิดขึ้นที่ไรก็มีความทุกเกิดขึ้นทุกทีอันนี้ยันเป็นปัญญาระดับกลางๆเท่านั้นนะระดับสูงขึ้นไปอีกนะก็คือมีรูปมีนามก็มีทุกแล้วนะรูปยังไม่ต้องแปรรวนทุนแรงให้เราเห็นเป็นความแก่ความเจ็บความตาย รูปก็มีความทุกข์อยู่ทุกทุกขณะนามในจิตใจของเราเนี่ยมันก็มีความทุกข์บีบั้นอยู่ทุกทุกขณะจะสมอยากหรือไม่สมอยากนะมันก็ทุกข์โดยตัวของมันเองเนี่ยธรรมะมันมีเป็นขั้นเป็นตอนนะถ้าสอนคนไม่มีพื้นฐานเลยนะจะได้สอนเกดิดแกด่เจ็บตายเป็นทุกข์นะ รัราจากสิ่งที่รับเป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่รับเป็นทุกข์ศาสนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แม้ความโศก ค, ความห้อใจ ร, รำพันความไม่สบายใจความไม่สบายใจความคับแค้มใจก็เป็นทุกข์อันนี้สอนพื้นๆ น, น, นะคนทั่วไปมองเห็นเมื่อเราจะภาวนาจะปฏิบัติให้ลึกขึ้นไป ใครมันแก่ใครมันเจ็บใครมันตายรูปมันแก่รูปมันเจ็บรูปมันซ้ายใครสมหวงังใครจิตหวงังนามมาทําจิตมันสมหวงังจิตมันจิตหวงังนี่นตัวที่เป็นรากเป็นฐานของทุกจริงๆก็คือตัวขันห้าตัวรูปตัวนามนั่นเองท่านอ่นสอนบอกว่าว่าโดยย่อดโดยสรุปนะอุปาทานขันห้าเป็นตัวทุก นี่เราพอนาใหม่ๆเราไม่เห็นหรอกนะตรงเนี้ยแล้วเราฝึกให้กิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตืน่นขึ้นมา ก, ก่อนแล้วก็มีสติเราเลืรู้กายมีสติเร า, รราเล้อ ร, ร, รู้ใจมีสัญญาหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของ ใ, ใจจิตมีความตั้งมันม่นมีสมาธิที่ถูกต้องเนะมีองค์ธรรมหลายอย่างนะร่วมกันทํางาน ในส่วนเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกคือตัวปัญญารูปนามนี้คือตัวทุกข์นะเนั้นธรรมะมีหลายขั้นหลายตอนนะธรรมะอย่างห ย, บยาบๆพระพูดให้ชาวโลกฟังให้เราภาวนาแล้วก็แยกแยะไปในโลกพระพุทธเจ้าสอนนะความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ ชาวโลกฟังเราก็ไม่ได้ฟังอย่างที่พระอุทธเจ้าบอกแคาหลอกความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์พอเราฟังปกุกบกิเลสก็าพาแปรธรรมะเลยคน เ, ค, นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกขนะ์มีคนขึ้นมาทันทีเลยหรือเรานะเราแก่เราเจ็บเราตายเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้น ท่านบอกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันเป็นทุกข์นะไม่ใช่คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยกระทั่งธรรมมาพื้นพื้นนะ่ะพอฟังแล้วก็เขียนกลเป็นฟังแล้วมีคนมีสัตว์มีเรามีเขาขึ้นมาทุกทีเนยเพราะอะไรเพราะพื้นเดิมของเราอะ่ะมันปึินพอใจที่จะมีตัวมีตนอยี่ยมีเรา ยพื้นของจิตเลยถูกสะ ส, สมมาอย่างเนี้ยคนได้ยินธรรมะที่บอกว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์มันก็แปล ท, ทันทีเลยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์ถ้าจะทุกข์มากก็คือเราแก่เราเจ็บเราตายเนี่ยทุกข์มากที่เห็นคนอื่นแก่คนอื่นเจ็บคนอื่นตายไม่เห็จะทุกข์เลยเรื่องของเองไม่ใช่เรื่องของข้าเนี้ยมีเรามีเขาได้ม嘛 ท่า น, นธารรมะของรพระเจ้านับะณิทมากนะเวลาฟังเราฟังให้มันรู้เรื่องท่านสอนว่ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพลดพลาดจากสิ่งที่รับ ก, การประสบกับสิ่งที่ไม่รับเป็นทุกข์ท่านไม่ได้บอกว่าคนอกหักรักขุดเป็นทุกข์นะเพราะมันไม่มีค น, นรพระเจ้าสอนนะประนีตมากเลย ในภาปานาละเอียดซึ้งๆเข้าไปอีกนั้นก็จะเห็นเลยอย่างท่านสอนนะว่าว่าดอยยอดอุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์พอได้ยินว่าว่าดอยยอดอุปาทานกันนะทั้งห้าเป็นทุกข์ก็ตีความทันทีเลย <c oughs> ขันขันที่เราเข้าไปยึดมันทุกข์ถ้าเราไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ขันมันไม่ทุกข์ ถ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นคำว่าอุปาทานขันนะั้นเป็นการจาแนกชนิดของขันจริงๆแล้วขันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหลนะเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกชนิดของขันเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้นี่เราไปคิดว่าถ้ายึดเราแต่ทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ทุกข์ไม่ใช่นะหรือจิตเราเนี้ยเราภาวนา มีปัญญาเล็กๆน้อยๆ น, น, นะเราได้เห็นนะถ้าจิตเชอบไปยึดอะไรนะจิตทุกถ้าจิตไม่ยึดนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานไม่ทุกนะนะล้วนากันไปเรื่อยๆเรื่อยๆรู้ตัวจิตนั้นแห่ะตัวทุกจยึดหรือไม่ยึดตัวจิตนั่นแหละคือตัวทุกนั่นธรมนรมะหลายระดับนะชาวโลกก็เห็นว่ามีคนมีเรามีเขา เราทุกคนอื่นทุกอะไรนี่พอภาวนาไปช่วงหนึ่งไม่นจะเห็นมีแต่ขันนะขันขันถล้วก็ยังจิตเขาเ้าไปยึดบ้างไม่ยึดบ้างยึดเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์ไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ทีก็ เ, เห็นนะจิตอยากจิด ย, ยึดจิดทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์ไม่เห็นอย่างนี้ตรงเนี้ปัญญายังไม่พอหรอก ถ้าปัญญาพอนะพอนานาปถึงจุดหนึ่งจะเห็นนะจะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดจิตมักขันเทั้งหลายนะคือทุกข์นะคือตัวทุกข์ถ้าเราเห็นทุกข์้ตอนนี้ถึงระดับนี้นะการละสมุทัยนี่จะเกิดขึ้นคือเราเห็นว่าขันนั้นเป็นตัวทุกข์ความอยากที่จะให้ขันไม่ทุกข์ ไม่มีไม่เกิดละเพราะความอยากให้ขันมันไม่ทุกขนะ์เป็นความโง่ซึ่งเราล้างไปแนนะ้วเพราะขัน ม, มันคือตัวทุกขนะ์ถ้าภาวนาถึงจุดนะขันนี้คือตัวทุกขนะ์นั้นตัวหัวโจของขันก็คือตัวฉีดผู้รู้นะนะั่นแหละตัวอันตรายตัวร้ายกาจที่สุดเนละดูยากที่สุดวนะ่ามันคือตัวทุกข์ เราเห็นนะเห็นผิดๆอะแต่แต่ว่าผิดก็ไม่เชิงก็เห็นถูกไหมกันแต่ถูกไปตามลาดับเราเห็นว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์ภาวนาให้มันมากพรจริงนะมันรู้แจ้งแังตลอดในกองทุกข์อะไรคือทุกข์รูปนามขันธ์ห้านั่นแหละตัวทุกข์ จะอยากหรือไม่อยากจยึดหรือไม่ยึดมันก็ทุกข์นะมันมีขันอยู่ส่วนหนึ่งนะที่ไม่ใช่ไม่ใช่อุปาทานขันคือพวกโล ก, กุตตะรจิตทั้งหลายเจโล ก, กุตระเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลภุตตรจิตเนี่ยพวเราฟังไหมวก็รู้เรืนะ่องปล่าพวกนี้เป็นขันแต่ไม่ใช่อุปาทานขัน เพราะว่าไม่ใช่ที่ตั้งของความยึดมั่นใด้ไม่มีใครยึดมั่นโลกุตตะละจิตแต่มันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงมากรกะจิตเที่ยงไหมไม่เที่ยงโภระจิตเที่ยงไหมไม่เที่ยงเพราะในส่วนของขันเนี่แม้แต่จะเป็นโลกุตตะละนะก็ยังเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ เพราะมันเป็นของนี่เกิดเชอประดับไปเหมือนกันเหมือนกับธรรมะฝ่ายโลคิยะทั้งหลายนะแต่พอจิตมันรู้แจ้งแสงตลอดจริงนะจิตมันปล่อยวางมันวางกระทั่งโลกุตระจิตนะไม่ได้หิวโหยอยากได้อะไรมันวางจิตทุกชนิดลงไปไม่ยึดถือ ตรงนี้แหละที่ใครภนาเข้ามาจอตัวนี้ไม่คิดหรอกว่าตัวเงเป็นพระลหันหรือไม่เป็นไม่มีนัยาอะไรคำว่าพระละหันมันก็คาสมมตินั่นแหละจ <c oughs> ิตมันพนฤฤฤ้นกิเลสพ้นทุกได้จริงหรือเปล่าตัวนี้ตานที่สาคัญงั้นอย่างเหอเราทอบเหอพระละหันฤาวง้นพระลหันหรงนี้พระลร ห, หันอย่างหลวงพ่อและคนก็มาตั้งให้เป็นพระลหันตั้งเยอะนะ บอกภาษาทกินสิเอาอะไรมาตั้งเรื่องอย่างนี้มนรู้ได้เฉพาะตัวเองว่าจิเลสเรายังเหลืออยู่ไหมจิตยังเข้าไปยึดไปถืออะไรไหมงั้นเราค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกไปจิตเราก็จะค่อยๆห่างความทุกขอ์ออกไปลำดับๆ เนี่ยผู้ทยชนที่ไม่เคยได้ยินธรรมะก็คิดว่าเราแก่เราเจ็บเราตายเป็นทุกข์คนที่เรารักแก่เจ็บตายเราก็เป็นทุกข์ด้วยอะเงี้ยมมีคนมีสัตว์นะในโลกเขารู้สึกอย่างนี้เท่านั้นแหลพ่อเราตายเราก็ทุกข์นะแม่เราตายเราก็ทุกข์อเงี้ยบางคนพ่อมีมรดกเยอะพ่อตายมีความสุขดีใจอเงี้ย ไม่มีความแน่นอนแล้วแต่กิเลสจะพาไปพวกเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็มาฝึกตัวเองเหมือนตอนรักษาสีนห้าไว้ทุกวันแบ่งเวลาฝึกจิตฝึกใจให้สงบและตั้งมั่นสองอันนะสงบอย่างเดียวไม่พอสงบส่วนใหญ่ที่ทำสมาธิกันมันเป็นนิสาสมาธิ เกือบร้อยละร้อยเลยนะกล้าพูดเลยนะนเกือบร้อยละร้อยมันทำมิจฉาสมาธิมัสมาธิเค้่เครียดบ้างสมาธิเคลอบเคลิมบ้างะควายทั้งคู่เลยนะทั้งเคร่เครียดทั้งเคลอบเคลิมไอ้ที่สมาธิชนิดพอรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาแ้วยากพอได้ไยินว้าต้องมีความรู้ตื่นเ บ, บิกบานก็นั่งแต่งจิตให้รู้ตื่นเบิกบานแต่งจิต ทำเป็นตื่นเ ต, นต้นมินหลงนะแหละหลงบางทีก็ภาวนาก็คลุ้มคลั่งนะบางีก็เคลิบเคลิ้มอะไรอย่างนั้นไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้องวิธีที่เราจะฝึกสมาธิที่ถูกต้องนะจะต้องมีสติกำ ก, กับเมื่อตอนทำกรรมฐ า, านหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะ แล้วมีที่หาระทำแล้วก็มีสติรู้เท่าทันจิตใจตนเองไปเช่นเราหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้ามาจิตใจมันถลำลงไปเพ่งลมหายใจเพ่งร่างกายรู้ทันนะว่าจิตถลำลงไปเพ่งแล้วเลยหายใจเข้าหายใจออกอะไรก็ทําไปเถอนะะ ถ้าจิตนี้เป็นที่เรื่องลื่มลืมว่าตอนเนี้ยกาลังทำกรรมฐานเห็นร่างกายหายใจโย่อย่างเนี้ยก็จิต่าหลงไปถ้าเรามีสติรู้ว่าจิตหลงไปะจิตเคยไม่หลงก็จะตั้งมั่นขึ้นโชคละค่อยๆฝึกไปได้วยวิธีฝึกสมาธินั้นอย่าอยากสงบอย่าอยากให้จิตดีอยาอยากให้จิตสุขใช้จิตธรรมดาธรรมดาเนี้ยไม่ต้องโลบ จิตรอบเป็นอกุศลจิตไม่มีสติความรอบนั้นถึงแทรกเข้ามาได้เวราะฉ้นเราทำกรรมฐานไปนะมีวิหารธรรมอันนึงแล้วทํากรรมฐานไปด้วยความมีสติเมื่อทำไปแล้วจิตเราหลงไปที่อื่นเรารู้ทันจิตถลำลงไปเพ่งอางรมณ์กรรมฐานเรารู้ทันตรงที่เรารู้ทันนั่นแหละที่เรามีสติะ สติเป็นตัวรู้ธรรมแล้วทันทีที่สติรู้ทันสภาวะที่กําลังปรากฏเอ่นจิตกำลังลกกหล ง, ลงไปหรือสตกําลังเพ่งอยู่นียสภาวะของความหลงสภาวะของความเพ่งถเรารู้ทันนะเอสภาวะที่ผิดๆนั้นก็จะดับทันทีนะสภาวะเพราะนั้นเกิดจากอากุศลเท่านั้นเกิดจากโลก อยากปฏิบัติบ้างบางทีก็เกิดจะหลงเคลิบเคลิมลืมและลืมตัวไปงั้นทำสมทานเชิงอย่างหนึ่งนะต้องทํานะถ้าอยากจะดีต้องทํามีวิหารธรรมไว้แต่วิหารธรรมไม่ใช่คุกไว้ขังจิตห้ามจิตหนี้ไม่ใช่วิหารธรรมมันเป็นแค่เครื่องสังเกต ให้เราอยู่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรจิตเรานี่ไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทั น, นเนี่ยเรารู้ทันแล้วถ้าจิตมันหนีไปจากการรู้การหายใจห น, นีไปคิดเรื่องอื่นละลืมวาลังหายใจอยู่พอเรารู้ทันแล้วจิตมันหลงไปเนี้ยจิตที่หลงก็ดับจิตที่รู้ก็เกิดเมื่อจิตรู้กับจิตหลงนะี่มันส่งข้ากมกันเหมือนเหรียญสองด้านด้านหัวด้านก้อยนะ ถ้าไม่ออกหัวก็ออกก้ยตรมีเท่านั้นเองคือถ้าไม่รู้ก็หลงนั่นแหละนี่เราฝึกใป้ได้อยๆนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปตามสมมติฐานอย่าอยากสงบจิดดีก็ได้จิตเลวก็ได้นะฟุ้งซ่านก็ได้อะไรก็ได้แต่เรารู้ทันกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สงบเองแหละนะมันสงบเองจิตแคสงบนะมีสติกํากับจิตใจอยู่ สมาธิหือความตั้งมั่นของจิตมันก็เกิดขึ้นพระไตรเฑียท่านสอนนะว่าการจเจริญสติปัฏฐานให้มากสติปัฏฐานคือการที่เรามีสติเราจะรู้กายรัวใจของเรานี่นะถ้าจเจริญสติปัฏฐานให้มากจะทําให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์งั้นกนรนารเจริญสัมมาสติให้มาก จะทําให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์สิ่งที่เรียกว่าสัมมาสติหม่ใช่สติทั่วๆไปอยากทำบุญอยากใส่บาตรอยากทําสงคราะห์สังคมสงคราะหช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือคนอะไรเนี้ยที่เป็นกุศลมีสตินะไม่ใช่สติธรรมดาไม่ใช่สติปัฏฐานพระพุทธเจ้าท่นานอธิบายนี้สัมมาสติด้วยสติปัฏฐานนะไม่ใช่ด้วยสติทั่วๆไป สติปัฏฐานคือสติซึ่งมีวิหารธรรมหรือรูปธรรมนามธรรมทัท้งหลายให้เป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่ของจิตเช่นเราเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหาย ใ, ใ, ใจเข้าการเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้า้เราก็ทำสติปัฏฐานในอานาปน า, า, านสติปัฏฐานคือในกายารูปปัณนาสติปัฏฐานหรือเรารู้เหี้ยบบทสี่ เราใช้หยีอยาบสี่ยืนเดินนั่งนอนเป็นวิหารธรรมยืนอยู่ก็รู้ชัดเดินอยู่ก็รู้ชัดนั่งอยู่ก็รู้ชัดและนอนอยู่ก็รู้ชัดรู้ชัดว่าอะไรรูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนั่งรูปมันนอนต่เราเป็นคนรู้ไว้เนี่ยสติจะเป็นตัวรู้ทันนะแล้วก็พอเรารู้สภาวะสุกต้องมีจริงนะจิงจะตั้งมั่งขึ้นเอง วิชาท่านถึงสอนนะถ้าสัมมาสตินะคือสติรู้กายรู้ใจนะเมื่อเราเจริญให้มากนะจะทําให้สมาสมาธิบริบูรณ์สัมมาสมาธิก็คือสภาวะความตั้งมั่นของจิตที่เราไม่ได้บังคับให้ตั้งมั่นมันตั้งขึ้นเองนะมันมีทั้งความสงบมีทั้งความตั้งมั่นอยู่ในตัวเอง แล้วสมาสมาธิที่เราเจริญให้มากเนียจะทําให้สมาญาณนะบริบูรณ์สมมาญาณนะก็คือญาณอย่างรู้ปัญญาที่ถูกต้องนะมันจะบริบูรณ์ปัญญาที่ถูกต้องก็คือตัววิปัสสนาปัญญานั่นเองเมื่อสัมมาญาณะบริบูรณ์สัมมา ว, ว, วิมุตติจะเกเิดขึ้นจะสมบูรณ์ขึ้นมา คือเกิดมากเกิดผลในลำดับลำดับไปเพราะงั้นเราต้องทำนะศีลต้องรักษาทุกวันต้องฝึกในรูปแบบทำกรรมฐ า, านให้จิตนีเครื่องอยู่จะเป็นรูปประทมนามมาทำอะไรก็ได้แล้วก็รู้เท่าทันจิตใจของตนเองไปในขณนะนั้นหายใจเข้าหายใจออกนะจะพูดโทรด้วยก็ได้ จิตนีไปที่อื่นรู้ทันจิตถลำลงไปเพ่งลมหายใจรู้ทันนี่พอเรารู้บ่อยๆจิตเคลื่อนนี้เดียวมันจะเกิดสติขึ้นเองนะการที่เราหัดรู้บ่อยๆหัดรู้เนืองๆทำกรรมฐานไปแล้วจิตเคลื่อนไปจะเคลื่อนไปคิดหรือเคลื่อนไปเพ่งก็ตามเราเห็นแล้วเห่ดีอยการเห็นบ่อ ย, อยๆีัี่ยทำให้จิตจําสภาวะของจิตเคลื่อนได้แม่น พอจิตมันเคลื่อนนิดเดียวนะสติจะเกิดเองไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้นะสติเกิดเองเมื่อจิตจําสภาวะได้แม่งจิตจําสภาวะได้แม่งก็ต้องเห็นสภาวะบ่อยๆเมื่อในสติปัฏฐานนะท่านาจารบอกว่าให้รู้ให้รู้ให้เห็นกายในกายเนืองเนืองไหนึองเนืองเห็นบ่อยๆให้เห็นเวทนาในเวทนาเนืองเนืองเห็นจิตในจิตเนืองเนืองเห็นบ่อยๆ เห็นบ่อยๆแล้วจิตจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเองนี่พอสติที่เกิดมาจต่การเห็นกายเห็นใจทำงานนะต่อไปพอกายขยับเนี้ยสติเกิดเองพอจิตใจขยับนะจะไหลไปคิดไหลไปอยากอะไรก็ตามนะสติเกิดเองเนี่ยพอสติเราเข้มแข็งขึ้นมานะสมาธิมันก็จะบริบูรณ์ขึ้นมาพอทุกครั้ง ที่สติระลึรูร้สภาวะเช่นจิตไหลไปสติรู้ปุ๊บสมาธิจะเกิดขึ้นชัวน่วขณะจิตถลำลงไปเพ่งสติรู้ปุ๊บสมาธิที่ถูกต้องมันจะเกิดขึ้นชัวน่วขณะะจิตจะรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมานี่พอเราฝึกให้มากะมีสติทีทีไปเรื่อยๆนะจิตเคลื่อนละรู้เคลื่อนละรู้เคลื่อนละรู้ไป จิตเนี่ยสร้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเนี่ยสัมมาสติที่เจริญให้มากเล้ทําให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์ขึ้นมาจิตเนี่ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาสัมมาสมาธิบริบูรณ์แล้วจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูละสตริระลึกรู้กายก็จะเริ่มมีปัญญาเห็นความจริงของกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นอยู่นะ สติเราเรืู้เวทนาก็าจะเกิดญาณเกิดปัญญาเห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตตั้งมานอยู่สติเราเรืรู้สังขารความรงดีสมชั่วทั้งหลายเช่นรอบตดหลงมันก็จะเห็นนะความปรงแต่งทั้งหลายแะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่คือญาณเป็นวิปัสสนายาน อวิปัสยยนาญาของเราแก่กล้านะเรพัฒนาเป็นลําดับลำดับไปสุดท้ายกี่จะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเพราะมันเห็นแล้วว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวหายใจออกก็ชั่วคราวหายใจเข้าก็ชั่วคราวยืนก็ชั่วคราวเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวในรูปในนามนี้มีแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลย ไม่เห็นมีอะไรดีพิเศษกว่ากันเลยอย่างเราเที่ยวแสวงหาความสุขคนในโลกอยากได้ความสุขนะมีความสุขมาความสุขก็เช่อคราวอยู่แล้วก็วสลายไปอีกแล้วเกลียดความทุกข์ใชก็ห้ามมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็มาอยากให้มันไวเร็วๆมันก็ไม่ไปยังไม่ทันจะทําอะไรอ้าวมันก็ดับของมันได้ไม่จะเป็นอย่าง น, นะ น, นี้เลนะในสดจิตจะเป็นกลาง สุขหรือทุกข์มันก็เสมอกันละว่ามันมีแต่ของเกิดดับดีหลืชั่วมันก็เสมอกันแหละนะคือมันเกิดแล้วมันดับอันนี้ดีและชั่วในขั้นเจริญปัญญานะถ้าในขั้นจริยธรรมดีกับชั่วไม่เท่ากันต้องไม่ทําชั่วต้องทําดีไว้ก่อนนะต้องถือสี่ห้าไว้ให้ใไว้แต่ในขั้นที่เราเจริญปัญญาเราเห็นในสุขทุกข์ก็เสมอกันดีกับชั่วก็เสมอกันคือความสุงแต่งเท่านั้นเอง ไอที่ว่าดีดีพิเศษพิโสนะเป็นกุศลทั้งหลายนั้นก็คือสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาแต่สิ่งที่ว่าชั่วช่วอาคุศลนะก็คือสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาปรุงขึ้นมาได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนเหมือนกันดังนั้นจิตจะเป็นกลางต่อสุขและทุกข์ต่อดีและชั่วเพราะปัญญาเห็นความว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนเหมือนกัน ก็มีปัญญาอย่างนี้นะจิตก็มียานทัศนะแก่รอบแล้วศีลสมาธิปัญญาของเรามากพอแนละ้วอริยามรรคก็จะเกิดขึ้นเวลาที่อริยามรรคจะเกิดนะั้นมันมีกระบวนการนะไม่ใช่นั่งสมาธิอยู่ก็ เ, เห็นน้อนเห็นนี่แล้วก็สรุปเนี่ยเกิดอริยามรรคแล้วไม่ใช่มันมีกระบวนการที่จิตล้างกิเลส อันนี้ค่อยไปดูเอานะเกิดขึ้นในเจ็ดขณะนะดีแรกจิตกรวมลงไปนะก็ อ, อัปปนาสมาธิจิตไปเดินปัญญาอยู่สองสามขณะนะแล้วจิตก็วางการเจริญปัญญานะทวนกระแสะเข้าหาธาตุรู้นะหนึ่งขณะที่ทวนกระแสะนะเข้ามาถึงธาตุรู้เนะี่ย อริยมรรคเกิดขึ้นแล้วแวกอาสวะกิเลสออกสิ่งที่ห่อหุ้มจิตถูกแวกทำลายออกหนึ่งขณะแล้วจะเกิดอริยผลตามมาสองสองามขณะแล้วแต่ละคนไม่เท่ากันพวกปัญญากล้าน่าจะเกิดอริยผลสามขณะไปพวกไม่มีปัญญามากเท่าไหร่นะก็มีอริยผลสองขณะถ้าเป็นพระโสดานะ ก็จะไปเป็นประเทศเกิดเจ็ดชาติอะอะไรเงี้ยนั่นนยังได้โสดาบันกันนะแต่คุณกรมบัตไม่เท่ากันหรอกพวกที่เขาแก่กล้าปัญญาแก่กล้าจริงจริงนะถ้าโสดาบันเขาเกิดอีชาติเดียวไม่ต้องเจ็ดชาติหรอกเขาเกิดอีชาติเดียวเท่านะั้นนะเขาทำที่สุดแห่งปุ๊กได้ถ้าปัญญีสีเรายัางไม่แก่กล้าพอะก็นน เ, เกิด เ็ดชาติบ้างสามชาติบ้างนะหรือคนไหนยินสียแก่กล้าจริงๆนะเป็นท่าสดาบันนะแล้วก็ต่อด้วยสกทาคานาคาริจบกินในชีวิตนี้เลยก็ได้แล้วแต่ต้นทุนที่เราสะสมมายุติธรรมนะใครทําใครได้นะไม่ทําก็ไม่ได้ธรรมะในยุติธรรมในโลกไม่มีหรอกวุติธรรม มียุติธรรมปลอมๆนะอย่างเรารู้นะไอ้คนนี้แหละไปฆ่าเขาแต่ว่าไม่มีหลักฐานทั้งๆ ท, ที่รู้นะก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยบอกเพราะถ้าไม่มีหลักฐานเราก็ไปลงโทษกั น, นก็ถือว่าไม่ยุติธรรมอีกแล้วความยุติธรรมของโลกเนี้ยไม่แน่นอนหรอกแต่ความยุติธรรมของธรรมะความยุติธรรมของกรรมเนี้ยแน่นอน ทำแล้วมีผลแน่นอนไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่รู้สึกหรอกถ้ารู้ถ้าเห็นนะจะไม่กล้าทําชั่วหรอกตรงนี้นะหลวงพ่อก็เลยไม่ตำหนินะบางที่บางคารูบอาจารย์ท่านสอนนั่งสมาธินะแล้วก็หลับลึกราบได้เที่ยวไปนรกไปสวรรค์ได้นะเห็นผีเห็นปเปรตเห็นนสุรกาเห็นสัตว์นรกได้อะไรนะมันก็มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มี เรเห็นแล้วไม่กล้าทําชั่วเห็นแล้วคนกลายที่จะทําดีให้ยิ่งขึ้นไปไม่อยากศพตำนี่คนทั่วไปแค่นี้ก็ไม่เห็นแล้วก็เลยรู้สึกว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงมีจริงหรือไม่มีจริงเราก็ดเราอบๆตัวเรานี่แหละอย่างบางคนไม่ดีใช่ไหมทุจริตสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอะไรเงี้ยมีเงินมีทองมากนยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่มีความสุข จะกินก็กลัวคนวางยาพิษจะไปไหนมาไหนก็กลัวคนดักยิงมีครับสมบัติก็กลัวเขาปล้นหรือกลัวทางราชการรู้มายึดคืนไหมนะ่ะชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของตัวชีวิตไม่ใช่มีความสุขนะอยากอยู่เมืองไทยคนทมันยอยู่ไม่ได้เลยอยู่ที่ไหนมันจะมีความสุขเหมือนอยู่บ้านไม่ต้องอยู่ไม่ได้นะอะนี่เพราะกฎแห่งกรรมอายุที่ทํามากนะ ทางโลกเอาความผิดไม่ได้ทางทำยังไงก็ผิดแล้วถ้าทําผิดนะหนีไม่พ้นหรอกนี่ถ้าเราเห็นอย่างนี้นะถ้าเราไม่เห็นเราก็ค่อยๆสังเกตเราสัง เ, เกตที่ใจเรานี่แหละเวลาใจเราทําความชั่วมาในจะมันมีความสุขแล้วมันมีความทุกข์ไปดูให้ดีแค่นี้ก็พอละเวลาเราไปทําชั่วมานะอย่างเราไปโมโ oh, หโทโซพ่อแม่เราอะไรอนยะ่างนี้ หลังจากนั้นเราจะเห็นเลจิดเศร้าหมองจิตเราเศร้าหมองมัวตัวพาวนามไม่ขึ้นอะไรเงี้ยหรอเราวันวเราฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่กับโลกข้างนอกนะดูแต่เรื่องโซเชียลอย่างโน้อนอย่างนี้คนนี้จะสึกคนนี้จะบวชในวุ่นวายนะเยใจเรา ก, ก็เพิ่มไปก็เพิ่มมาลองย้อนมาดูสิมันมีความสุขไหมมันสงบไหมมันไม่มีหรอก ยุ่งเรื่องคนอื่นมีแต่เรื่องยุ่งมากไหมเนี่ยกฎแห่งกรรมที่เราจะสัง เ, เกตด้วยตัวเราเองได้นะถ้าเราไม่มีหูทิพตาทิพนะถ้าคนที่เ้ามีเขาก็เห็นนะผีเปรตโอ้สังสารนะคนเนี้ยเคยยิ่งใหญ่เอาตกนรกอยูอ่เคยเป็นคนที่คนกลัวทั้งบ้านทั้งเมืองฆ่าใครก็ได้สั่งประหารได้อะไรเงี้ยนกะ็ตกนรกเฉยเฉยเลนะ เน่พอพวกที่เขามีหูมีตานะี่ยเขาก็มั่นคงแน่นแฟ้นหม่อยแล้พวกเราไม่มีหูทิพตาทิพแล้วลึกชาติไม่ได้ไม่รู้ว่าสัตว์ตัวนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนนะเราสังเกตที่ใจเรานี่แหละเวลาเราไปทําความชั่วสังเกตไหมมันจะมีผลตามมันที่ใจของเราเศร้าหมองเวลาทําความดีมาสังเกตไหมมันมีผลที่เจ็บใจมีความสุขมีความสงบ เนี่ยหัดูจริงๆของตัวเองของนี้แหละไม่ต้องไปดูชาติไหนเราดูตอนนี้เลยนะแล้วเราจะรู้เลยทําชั่วทีไรเศร้าหมองทุกทีความชั่วเนี่ยไม่ทําซะเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องรับบารบก ร, รับกรรมเศร้าหมองเนี่ยเราฝึกตัวเองทุกวันทุกวันนะศีลต้องรักษาสมาพีคือการทําในรูปแบบเนี่ยต้องทําต้องมีเครื่องอยู่ของจิตแล้วก็ค่อยรู้เท่าทัน จิตใจของเราเป็นยังไงคอยรู้เท่าทันสติมันก็เกิดสมาธิมันก็เกิดปัญญามันก็เกิดสุดท้ายวิมุติมันก็เกิดง่ายๆนะไมยากออกอยากดูว่าปวดแห่งกรรมมีไหมดูที่จิตเรานี้ยหละเวลาเราโมโหมากๆอ่นะกรดเต็มเหนียวเลยนะตอนที่หายกวดแล้วมาดูสิ ขีดลับไม่บาสนะขี่ไม่มีผลสุขหรอกหรือเวลามีราค่าแรงๆนะเราเพี้ยนแผหื่นมากเลยอย่างเงี้ยนะเราพอราคานั้นผ่านไปแล้วมาดูสีจิตอะของสายหรือเส้าหมองเราจะรู้ไลยว่าทําชั่วนะไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนนะก็มีผลที่ไม่ดีใจมันจะค่อยๆกระยาดต่อการทําชั่วนะจะควรกวัยที่จะทําดีให้มากขึ้นมากขึ้น เพื่ออะไรเพื่อจะได้พ้นจากการเรียนไว้ายเนี่ยทุกแล้วทุกอีกอย่างนี้ใจมัจะค่อยๆอยากพ้นไปนะก็จะขยันภาวนาฝึกทุกวันทุกวันนะว่าวันหนึ่งจะได้ดีโลกเขาก็วุ่นวายอย่างนี้แหละเราไม่ห้ามมันห้ามมันไม่ได้แต่เราไม่วุ่นวายไปกับโลกก็เท่านั้นแหละวันนี้แค่เท่านี้นะ ส่งกันบ้านเบอร์หนึ่งจิตเคยเห็นจิตไม่ใช่เราสองครั้งตอนนี้มีอุปสรรคสองอย่างคือสวดมนต์ไม่ได้เพราะจะมีเรื่องเดือดร้อนในทางโลกทุกครั้งพอหยุดสวดมาเป็นเดือนชีวิตกลับดีขึ้นรวมถึงได้ส่งกันบ้านมีโรคปวดหัวข้างเดียวมาเป็นสิบปีทำให้จิตไปคุกกับทุกแยก้าตออกมาเป็นคนดูไม่ได้ ซึ่งตอนไม่ปวดหัวแยกได้กลัวตายแล้วไปภูกติภูมิค่ะ ที่ฝึก อ, อยู่ก็โอเคนนะมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆแหะทำไปสม่ําเสมอนะทุกขติจะไปหรือไม่ไปสังเกตง่ายๆนะมันไปไม่ไปก็เพราะจิตเหล่านี้แหละจิตเศร้าหมองไม่มีทุกขติเป็นที่ไปหวังได้ว่าจะไปทุกติจิตค่องใสนะก็หวังได้ว่าจะไปสุขติ แล้วสังเกตจิตใจของเราไปถ้าจิตเศร้าหมองนะโอกาสไปทุกขติก็มีระหว่างจิตเศร้าหมองกับจิตผ่องใสอันไหนมันเกิดบ่อยนะแล้วสังเกตเอาแล้วเวลาจิตมันเศร้าหมองก็ไม่ต้องไปว่ามันรู้ทันมันไปได้ได้ไม่ต้องไปอยากให้หายเศร้าหมองอนะจิตเศร้าหมองรู้ว่าเศร้าหมอง ถ้าอยากให้หายนะก็กลายเป็นจิตเข้าหมองหลักเข้าไปอีกนะถ้าตรงอยากนั้นมันกิเลสคอยรู้ทันกิเลส ข, ของเราเองนะโทสาแรงไหมนะนี่คอยคอยรู้ว่ากิเลสตัวไห น, น ม, มีเกิดบ่อยๆอยยะไรนั้นคอยรู้คอยเรียนไป เวลากิเลสเกิดเน ก, กินเลสเขรู้ว่าเศรงเศร้ามองทําให้อะไรเศร้าหมองทําหทให้จิตเศร้าหมองจิตที่เศร้าหมองนะก็มีความหวังได้ว่าจะไปภูกติแต่ถ้าเรามีสติจิตเศร้าหมองหรือว่าเศร้าหมองเราได้ขู่สอนอย่างใหญ่เป็นขู่สจนจากการเจริญสติปัญญาเป็นขู่สนที่ใหญ่นะเพราะฉนั้นเศร้ามองก็ไม่ว่าจะมีสติรู้ทันไม่ปล่อยให้ กิเลสมันบงการความคิดคำพูดการกระทำของเรานะจิตน่้จะผ่องใสธรรม ะ, ะตรงไปตรงมานะจิตเศร้าหมองก็เป็นอันหวังได้ว่าจะมีทุกขติเป็นที่ไปจิตส่องใสก็เป็นอันหวังได้ว่าจะมีสุขติเป็นที่ ไ, นะตไ ป, ไ ต, ปไตัวที่ทําให้จิตเศร้าหมองก็คือตัวกิเลสนันะ กิเลสเพรเครื่องเศ้ามองวิธีสู้กิเลสเลยมีสติรู้ทันกิเลส อ, อะไรเกิดรู้ทันรู้ทันไม่เข้าข้างตัวเองนะเราแต่ละคนเนี่ยร้ายกว่าที่เราคิดเสมอแหละตัวจริงร้ายร้ายทั้งนั้นแหละเวลาเราพอนะเราพอนะางที่เราก็รู้สึกแหมเราดีดีจริงๆแต่ดูละเอียดลงไปล้องจะเห็นมานจริงๆมันร้ายล่าดูเลยนะ ยิ่งรู้ทางกิเลสเท่าไหร่นะใจก็ยั่งอิสระจากกิเลสมากขึ้นมากขึ้นก็จะดีขึ้นแน่ๆแหละที่ฝึกมามันก็ดีนะไปทำอีกเบอร์สองเบอร์สองเห็นธาตุไฟดินลมน้ำ ม, มาปรากฏทีละอย่างก็ดูรู้ไปเหลือแต่จิตไหวยุบยิบอยู่กลางอก อืเห็นจิตมันเป็นผู้นึกเองคิดเองแล้วก็ดับเองอืแล้วก็มาใหม่อีกซ้ำๆบางครั้งมันจะปรุงแรงๆกระเพื่อมใหญ่ๆก็ดูไปจนจิตมันปวดมากปวดนานปวดที่จิตจนหมดเวลาล่าสุดเหมือนจิตอยู่ในถุงหนาๆขอการบ้านใจทำต่อค่ะดีเท่าไหรเห็อย่างนั้นนะเพราะจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ กิรานั้นไม่ิสระกิราถูกขังอยู่จะไม่ปนานาไม่เห็นหรอกมันถูกอาสวะกิเลสข้อพู้มาไว้วมันก็ดิ้นหล่นรงแต่งอยู่นั่นแหละอาสวะมันเกิดจากอาวิชาอาวิชามันก็เกิดจากอาสวะมันหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันเรีย น, น, ร, นรู้ความพียงของรูกของนามไป ันึ่นงก็ทำลายแล้ววิชาไปอาชวะก็ถูกทำลายไปหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อก็เห็นจิตมันถูกคุ้มอยู่นะนะั่นแหละลำพนไม่ได้นะมันรู้เลยว่าไว้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราไม่เคยเป็นอิสระแต่ตัวเองเลยไม่เป็นไทยเราเป็นทาสเราถูกขังนะถูกจำคุกอยู่ตลอดตั้งแต่เกิดมามองเพื่อนร่วมโลก มันก็ถูกขังอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยเราเห็นอย่างนี้นะใจมันทนไม่ได้หรอกใจมันต่อสู้นะถ้าแหกคุกอันนี้ไม่ได้ก็ไม่เลิกหรอกที่เห็นน่ะดีแล้วละแล้วมันไม่มีอะไรหรอกมีแต่ทุกข์ปัญหาตอนนี้ก็คือจิตมันไม่เปงกลางต่อทุกข์ปัญหานี้เพียงเดียวแหละมันไม่เปงกลาง พอเห็นจิตห่อถูกข่อพุ่เอี่ยงก็ไม่ชอบนะเห็นจิตมันไหวนี่ยอยๆๆมีแต่ทุกข์ไม่มีอย่างอื่นเลยก็ไม่ชอบนะมันมีแต่เรื่องไม่ชอบไม่เป็นกลางให้รู้ทันลงไปไม่เป็นกลางก็รู้เอาดีนี่ภาวนาเห็นได้ไม่เห็นดีเบอร์สามเบอร์สามปฏิบัติในรูปแบบนั่งสมาธิ ดูลมหายใจระหว่างวันจะเห็นความจิดชัดมากมและจมเข้าไปในความจิดนานและลึกพ อ, อรู้สึกตัวกลับมาในปัจจุบันขณะเหมือนหลุดออกมาจากสิกนติหนึ่งมไม่เป็นธรรมชาติบางทีรู้สึกตกใจขอคำแนะนำในการปฏิบัติต่อค่ะก็ต้องมีเครื่องอยู่นะถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่เวลาจิตจมลงไปในความคิดมันจะจมนาน คือหลงยาวนะแล้วเรามีเครื่องอยู่ไปเรื่อยๆเช่น อ, อยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธเองจิตไปจมในความคิดเป็นเดี่ยวๆ ม, มันจะรู้สึกแล้วอ้าวหลงไปแล้วนี่จิตที่จะหลุดอบกจากมิติของความคิดมาอยู่ในมิติใหม่โลกของความรู้สึกตัวในศัสท์สมัยใหม่เรียกมิตินะจีิจงๆก็คือพบนั่นแหละเป็นพบที่เป็นหลงอยู่ในโลกของความคิดะ กับพบที่รู้ตื่นเ บ, บิกบานแล้วไม่ว่าพบอะไรนะก็กทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเราเห็นว่าหลงนะจิตใจไม่สบายหรอกะในจิตรู้ตัวอยู่แล้วสบายตอนนี้เห็นอย่างนี้ไปก่อนไม่เป็นไรต่อไปจะรู้นะมีพบทีไรก็มีทุกทุกทีแหละแต่ไม่เป็นลําดับของมันยังไม่ต้องรีบร้อน แค่อย่ า, ลย า, าหลงยาวนะจิตไม่ให้หลงยาวก็คือมีเื่องอยู่ไว้เบอร์สีจิตสิดแค่ไห้นะเบอร์สี่อักนะว่าไปเอปจจบอร์สี่ปัจจุบันปฏจจิบัติโดยการดูลมหายใจแต่จิตเขาแวบไปจิตบ่อยมากรู้สึกว่าสมาธิอ่อนไม่ค่อยมีกำลังควรปฏิบัติต่ออย่างไรเพื่อให้ถูกจริตครับเห็นร่างกายหายใจไห แล้วจิตนี้เรารู้ไม่ห้ามทําให้หลวงพ่อดูใชเห็นร่างกายแห่งใจด้วย ใ, ใจธรรมดาไม่ใช่ใจแข็งแข็งถ้าทําด้วยใจแข็งแข็งไม่มีควาสมสงบสุขอย่าไปแตงจิตรู้สึกไหมเรากาลังแต่งจิตอยู่ใช้จิตธรรมดาเราใช้จิตหายใจธรรมดามหเห็นร่างกายหงแสงด้วยจิตใจธรรมดาไม่ใช่เห็นลมนะ เห็นร่างกายทั้งตัวนี้มันกาลังหายใจเห็นไหมเราส่งจิตไปดูแล้วจิตเราเคลื่อนลงไปที่ร่างกายเห็นไหมตรงนี้แม้ต่อไป น, นี้นะดูร่างกายห า, ายใจไปแล้วพาจิตเราเคลื่อนเข้าไปที่ร่างกายให้เรารู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดเรืงอื่นให้เรารู้ทัน ฝึกตรงนี้เลยนะฝึกให้เยอะๆเลยเห็นร่างกาหายใจไปจิตขลําลงไปจ้องให้รู้แง่นี้มันใจอย่างนี้ยมันจะไหลออกไปหายใจใหม่หายใจซีหายใจด้วยใจสบายเออหายใจด้วยใจสบายอย่างนั้นแ่ละไม่ได้แต่งใจให้ถูกให้สงบนะไม่แต่งใจ เห็นไหมจิตมันหนีนะ้วนะทําอย่างนี้นะหายใจไปแล้วจิตมันหนีเรารู้มันถลัมลงไปเพ่งเรารู้มันหนีไปเรารู้ฝึกนี้นให้สานาันตะ่อไปพอสติมันเกิดเร็วนะหลายปุ๊บมันจะรู้สึกอ่างไรมันจะไม่หลงยาวหลงจะสั้นลงสั้นลงเนะบอร์ห้าเบอร์ห้ามีสติรู้กายรู้ใจอยู่ เ, น, เนืองเนืองภาวนาไปแล้ว เห็นกิเลสเป็นยางเหนียวห่อหุ้มจิตอยู่รู้ว่าจิตนี้หลงตามกิเลสอยู่ทั้งวันทุกวันฟังหลวงพ่อใน y o u t u ู e และภาวนาในชีวิตประจำวันขอคำแนะนำเพื่อไปภาวนาเพิ่มเติมค่ะทำสม่ำเสมอนะทำไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นหนละสังเกตไหมตอนนี้จิตใจเราเดี๋ยวนี้กับตะก่อนเราไม่เหมือนกันล ะ, ะมันมีพัฒนาการขึ้นมาแนละ้ว เนี่ยเราเฝ้าดูเฝ้าดูนะจิตใจเราก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่เราไม่ได้เอาเป้าหมายที่ดีหรอกมันดีเอะเป็นผลไระโยชให้ฝึกแไปเราจะเอาอความพนทุกข์ไม่ได้เอาความดีะแต่ยิ่งฝึกมันก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆแะยังบังคับจิตอยู่นะรู้สึกใช่ไหมใช่ได้นะเบอร์ห้าดีมากๆเลย อ่านจิตตัวเองได้ลหเอียดดีเด <4 S 1> บอร์สี่กลับไปเพลงอย่างเดิมแล้น้อมลงไปซุ่มแล้เบอร์หกเบอร์หกทำในรูปแบบทุกวันรู้ร่างกายหายใจตรงจมูกบ้างท้องบ้างทั้งตัวบ้างยังพอใจไม่พอใจกับสภาวะที่เกิดระหว่างวันรู้ร่างกายเคลื่อนไหวเห็นความหมุดหยิด กังวลกับสิ่งที่มากระทบรักสุขเกลียดทุกข์มากมไม่แน่ใจว่าแยากขันได้ไหมหรือแค่คิดเข้าข้างตัวเองขอหลวงพ่อชี้ข้อปกป้องด้วยค่ะแยกได้แล้วนะขันแล้วมันก็ไม่ยากหรอกที่จะแยกนี่มันแยกมาเราก็เคยรู้เคยดูไปกายมันทำงานใจมันทำงาน เวลามีข่าวอุ่นวายไม่ดีแส่ใจกิจไม่ดีข้าวของแพงเนี่ยข้าวไม่ค่อยจะมีใจกินละรู้สึกลำบากใจกงังวลรู้ว่ากังวลเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะอยู่กับโลกโราก็ยุ่งอย่างนี้แหละอย่าไปหวังว่ามันจะสงบสุขเลยมันนุย์มันไม่ยอมสงบหรอกเพราะกิเลสมันแรง ทั้งเบอร์สามเบอร์หกอะไรนั่นนะกำลังวุ่นวายวิตกกัสังเกตเจเราไปที่มันพุ่มใจในกังวลเลยนันะเพราะมันห่วงตัวเองมันรักตัวเองเราก็ไม่ห้ามหรอกมันจะห่วงมันจะรักหรือมันกังวลในครอบครวองเราเป็นห่วงอะไรเ่งี้ หวงทีไรก็ทุกทุกทีเฝ้ารู้เฝ้าดูเราจะรู้ว่าความเป็นห่วงความกังวลนะไม่มีสิะโดยดนอะไรหรอกนะถ้าปัญหามันเกิดเกิดมันก็เกิดแหละเพราะฉะนั้นในข้ามกลางปัญหาที่เรากำลังเผชิญนยทำไงให้เราจะร่มเย็นเป็นสุขอยู่ได้ดูนะโลกนี้เหมือนความฝันทั้งเบอร์สามทั้งเบอร์หกโลกนี้เหมือนความฝันเท้านั้นแหละ บทีก็ฝันดีบางทีก็ฝันร้ายแต่สุดท้ายก็ว่างเปล่าเราตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่มีความฝันเหลืออยู่แล้วพยายามมองนะโลกนี้ทั้งโลกนะแต่ทั้งชีวิตของเราเองนะก็เหมือนความฝันทั้งนะนะั้นแหละแต่ฝันดีหรือฝันร้ายสุดท้ายก็ต้องลิกฝันทุกอย่างในชีวิตเราเกิดขึ้นแล้วถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องดับไปเราไม่ไช่คาดหวงัง ม่าชีวิตจะต้องสุขต้องสงบตลอดเวลาหรอกถ้าใจเราคาดหวังก็คือเรายอมรับความจริงไม่ได้เนีใจเราก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าปัญหามันรุมเร้าเข้ามานะใจเรายอมรับความจริงได้ใจไม่ทุกข์นะความทุกข์มัอยู่ที่กายเท่านั้นนะเช่นหารกินลําบากขึ้นอะไรเงี้ยนะในใจเราให้ทุกข์อดทนนะ เบอร์หกทำได้ดีนะเบอร์สามอดทนไหมอย่าไปคาดหวังว่าโลกนี้จะต้องสบายโลกนี้จะต้องสงบโลกไม่เคยสงบโลกเป็นอย่างนี้แหละโลกเป็นภูมิเหมือนเราฝันอยู่นะวันหนึ่งเราก็จะตื่นจากความฝันเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดปฏิบัติมาเรื่อยเรื่อยเริ่มรู้สึกถึงตัวรู้ได้ชัดขึ้น แล้วรู้สึกว่าตัวรู้แยกเป็นคนละส่วนกับกายมไม่ทราบว่าผมรู้สึกถูกต้องหรือคิดไปเองและบางครั้งรู้สึกมีอาการตึงที่ขมับหรื อ, อคอครับรู้สึกได้นะขันมันแยกได้แต่ที่มันตึงขึ้นมาจะตึงขมับตึงคอตึงบ่าอะไรเนี้ยเกิดแล้วเราจงใจไปแท่งมันจงใจดูแรงไป เ้าจงใจจ้องอะาไม่นจะตึงขึ้นมาถ้ารู้สบายๆไม่ตึงหรอกแต่หัดดีแรกตึงทุกคนแหละหัดแรกแรกตึงทุกคนนะแล้าถ้าไม่ยอมจงใจดูไปก่อนนะแป๊บเดียวก็หลงไปแล้วในเบื้องต้นเราตึงแล้วนิดนึงไม่เป็นไระเป็นธรรมดาแล้วค่อยรู้ค่อยดูไปนะเปล่านาชันนี้ชำนาญขึ้นก็ค่อยๆ ค, คลาย ให้ความตึงนี่ออกเมื่อก่อนหลวงพ่อเรียนจากหลวงพู่ดูลดูจิต ด, ดูจิตนะีใจก็ตึงนะเพราเร่งจะเพ่งจิตออกแบบเพ่งต่ก็ตึงตึงอยู่ฝึกไปได้ได่อยๆก็เป็นธรรมดาไม่ตึงดีแล้หลนะ่นะใบเชณนเบอร์แปดเบอร์แปดจิตชอบแว บ, บไปคิดเรื่องอกุศลมีราคะ โทสะเกิดจะรู้ว่าเกิดแต่ไม่สามารถระงับได้นั่งสมาธิทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนตอนก่อนนอนจะง่วงทำสมาธิแล้วมีความฟุ้งระหว่างวันตามดูได้บ้างเวลานั่งสมาธิแล้วหว่างซิ้วจะรู้สึกตึงๆไม่แน่ใจว่าทำสมาธิถูกต้องหรือไม่ครับแนนเหมือนที่สอบเปิดเผยว่าะไอ้เรื่องตึงๆมัจงใจ แต่บางท่านมันจงใจก่อนทุกคนแหละอย่างรลวงพ่อหันดูจิตทีแรกนะั้นดูสะปวดตาเลยแทนที่เราจิตรู้จิตแล้วก็เอาตารู้จิตนัดูซะเมื่อยลูกตาเลยเป็นทุกคนเลยนะธรรมดาฝึกแต่แร่มันก็จะดีขึ้นดีขึ้นแนะละใช้ได้นะ ใ, ใค้ฝึกไป เบอร์หนึ่งอดูออกไหมให้จิตมันไม่เป็นธรรมชาติเราไปแต่งมันนี่นะให้รู้ทันลงไปเลยนะเบอร์ 8. แปดสงเกตไหมหเราส่งจิตไปดูไหมจิตมันหาจะดูอะไรดีวะให้เรารู้ทันทัน เบอร์หกถอนจิตขึ้มานิดหนึง่งเบอร์หกนะจิตมันเท่งแรงไปจมลงไปนะถอยจิตขึ้มานิดหนึง่งอ อ, อยู่อย่างนีนะ้ดูระดับนี้นะไม่ถลำลงไปจ้องเอาเป็ี่ยวตาย เอาแบนี้เท่านี้นะ